ในบางสถานการณ์ที่เราพบปะเจอเจอในชีวิตประจําวันเนี่ยท่านฟังมันเป็นการที่จะมาๆใน บางครั้งบางอย่างเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วเนี่ยไม่เหมือนก็จะทําชีวิตเราให้มัน ตามมรรคได้หรือไม่เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเราไม่ทําเราไม่ปฏิบัติตามมรรคที แต่คืนเมื่อไหร่ที่เราออกจากมรรคเนี่ยเรา นะเราทําไปปุ๊บคุณออกนอกมรรคใช่มั้ยคุณผิดศีลบ้างอะไร น่ะเพล่เพลินไปในสิ่งต่างๆมีความสุขป๊อบๆแล้วเนี่ยมันจะมีความร้างใจอยู่ความสุขที่เกิด ไอ้ความคิดทางกามต่างๆนี้กลุ่มรุมน่ะเผารนอยู่ภายนอกน่ะดูเหมือนจะมีความสุขใช่แต่เป็นความสุข นะเห็นมันได้ไม่ดีอย่างงี้เราด่ามันก็ได้นี่เราอร่อยแต่มันเคลือบด้วยหยาดพิษอยู่นั้นจิตเราลึกๆแล้ว ไอ้ความหวานๆที่มันเคลือบไว้ภายนอกน่ะมันเกี่ยวข้องกันตรงที่ต่อๆไปหรือว่าการที่ไปด่าเค้า เพราะฉะนั้นแน่นอนล่ะในตอนเราไม่ได้โกรธตอนเราไม่ได้ๆหรือตกอยู่ในสถานการณ์ๆ มีเหมือนน่าที่จริงๆเราต้องทําตามตามเข้าไปเราจะเอาตัว นั่นเป็นผู้ที่สามารถเปิดเผยตนเองได้จึงถึงถึงบอกว่าไอ้เครื่องทดสอบต่างๆเนี่ยมันมาทดสอบกําลังใจ ภาษาบาลีก็เรียกว่าวายามะอย่างงี้หรือวิริยะอย่างเงี้ยนั่น น่ะคือคนนั้นคนนี้เค้าก็พูดอย่างงั้นอย่างนี้เราไปต่างๆนั่น มีความมั่นใจในคําสอนของสมณสมภิราชเราลองทําตามเอาสิ่งนี้ไม่ดีเราไม่ทําสิ่งนี้เป็นอันตรายเออเราไม่ทําและที่จะปฏิบัติได้ เราจะศรัทธาแล้วเนี่ยกําลังใจอื่นๆเช่นว่าสมาธินี่ก็เกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันแต่ถ้าจิตๆหน่อยๆเนี่ยมันเทียบไม่เท่ากับความสุขภายในในเช่นคน เค้ายังมีที่ตั้งที่มั่นที่ระลึกถึงนั่นคือความสุขที่อยู่ในภายในของเค้าที่ตั้งที่มั่นที่ระลึกถึงคือความสุขที่อยู่ในภายในเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเสบียงอาหารนั่นที่คอยมาเป็น จะฝึกทหารไว้อาวุธฝึกทหารไว้เผื่อว่ามีใครจะมารุกรานบ้านเมืองเราก็จะมีกําลังในการที่จะป้องกันตัวเราได้เพราะฉะนั้นไอ้การสะสมทหารฝึกทหารสะสมอาวุธและเตรียมเสบียงเนี่ยคือการที่เอ่อเค้าเรียกว่าบ้านเมืองเรายังสงบอยู่สมัยที่ มีมีแต่เรื่องธรรมดาธรรมดาทั่วไปไม่มีปัญหาอะไรใครเนี่ยว่าไอ้ตอนที่คุณอยู่เป็นสุขเนี่ยคุณประมาทมัวเมาหรือ o A Entrance อะไรก็ ช่วงระหว่างปีเนี่ยเค้าอ่าน 10 ปี 20 ปีเรามาทําดูนะเพื่อว่าเวลาสอบแล้วๆข้อสอบมันมาแน่ท่านผู้ ไม่ความตายบางทีหายากอาหารหายากบางทีมีโจรขโมยๆโอ๊ยมันวุ่นวายไปหมดเวลานั้นมาถึงแน่นอนฟันธง บอกให้ไม่เอามาใช้งานให้ดีด้วยนะว่าข้อสอบจะออกอะไรถ้านั่นแหละ ข้อสอบก็บอกให้คําตอบก็บอกให้แล้วถ้าตอบผิดแล้วจะไปโทษใครแล้ว ตนตนได้ตนให้เรามีความดีความสุขอยู่ในภายในใจ เนี่ยยังเวลาเราทําฝึกทําข้อสอบ สิ่งที่เราทําถูกก็มีทําผิดก็มีนะเราให้ นัดพบ